คนอื่นๆหรือคนทั่วไปไม่พึงไปขลุกคลุยสารววนด้วยเพียงแต่รอรับทราบผลที่แน่นอนเด็ดขาดแล้วหรือฟังข่าวความเคลื่อนไหวอยว่ห่างอย่างคนชอบรู้ชอบฟังเท่านั้นคือจะต้องไม่พาคนทั่วไปก็ไปหมกมุ่นในกระบวนการระหว่างการพิสูจน์ ด, ด้วยนอกจากนี้แม้ตัวนักปราดผู้สอบสวนค้นคว้าเกี่ยวกับชาติก่อนชาติ น, านั้นเอง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 ไม่อาจฝึกปลือความใฝ่ธรรมรักความดีนั้นให้เกิดมีแล ะ, จะเจริญเพิ่มผูนได้เป็นเหมือนกับบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเว้นชั่วทำดีด้วยความใฝ่ดีรักความประนีตบริสุทธิ์มนุษย์เว้นชั่วทำดีได้ด้วยความโลภหวังผลตอบแทนแก่ตนเพียงอย่างเดียวและปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจที่จะฝึกอบรมคนในด้านกุศลฉันทะหรือธรรมจันทะอันหนึ่ง